ตอนไม่เที่ยงก็วางซะตอนเมนทุกข์ก็วางซะตอนมาใช้ตัวตนก็วางซะนี่เรียกว่านักปฏิบัติทำไมทำไงเราจึงจะรูเ้เรื่องอย่างนี้ได้ถ้าเรามาเจริญสติสตินี่ถ้าเราไม่จะบอกความจริงต่อเราสติตัวนี้พาให้เราเห็นความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงสติตัวนี้จะพาให้เราเห็นความทุกข์ตามความเป็นจริง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 ควาเป็นทุกข์ในจิตก <talk> ็มีความไม่ใช่ตัวตนในจิตก็มีเป็นความโลภความโกรธความหลงมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนมันเป็นทุกข์เราก็ยังมในรายใดความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเจอเราเราก็เอามาซ่อมเติมเราแทนที่จะเปลี่ยนเป็นความไม่โลภก็ไม่โกรธควมไม่หลงเราก็เราก็ไม่เปลี่ยนตรงนี้การปฏิบัติคือเปลี่ยนเนี่ย เปลี่ยนรายกลายเป็นดีเป็นผิดกลายเป็นถูกเป็นคนทุกข์กลายเป็นคนไม่ทุกข์ในวิธีปฏิบัติการในสติมันจะไปอย่างนั้นไป พ, นพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าเมื่อไรมันจะเจอไม่มีทุกข์เมื่อไรมันจะเอ่อเที่งไม่เคยไปขออย่างนั้นไป พ, นพร้อมๆกันเหมือนเราเดินจากสลาไก่เป็สาลาหน้าไป พ, พร้อมๆกัน ไม่ใช่เรานั่งอยู่เวลาไก่เราไปสารหน้ายังหวนคิดถึงอยู่ที่นี่ไปต้องร้องๆกันเป็นปัจจุบันก็ไปทีไรก็ลูกไปพร้อมๆกันอต่ไปถึงก่อนถึงก่อนถึงเห็นก่อนเห็นไม่ใช่นะบางทีมันถึงแล้วถึงสารหน้าแล้วก็ยังมาอยู่ตรงนี้ไปอยู่ในอดีตเป็นเป็นอดีตไปแล้ว เราจึางมีปัจจุบันเป็นเด็กขณะนี้เรานั่งอยู่เป็นปัจจุบันในแง่น้อยเขาเคยเรธนาปวดขาก็เปลี่ยนไปเป็นเป็นดีตไปแล้วอดีต ท, ที่เรานั่งมากี่เนี่ยกระสดนมมิกซี่ในาการนะเป็นอดีตไปแล้วมันก็เลเื่อนมาเคลื่อนมามาถึงปัจจุบันที่มานั่งอยู่แถวหน้ของพ่อก็มาพูด อ, อ, อยู่ตรงนี้ บางทีในกระบวนเริ่มสาธยายธรรมอะไรทัง้งมาสมาทุทรก็กล่าวว่ามันเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้ก็เลยมาพูดธรรมะเนี่ยมันเป็นปัจจุบันแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นปัจจุบันยิ่งเราลู่จุดตัวรู่จุดตัวก็เป็นปัจจุบันนี่คือของจริงคือปลัชตาปรัชญาเนี่ยอยู่ในส ม, มุติคำพูดอะไรทัง้งมาสมโทรเป็นสมมุติ แต่เอามาเป็นปรัาภะเราพุโทโธก็คือรู้คือตื่นคือเบิกบานเอารู้ไปพร้อมๆกันขณะที่เราพูดขณะที่เราสาธยายขณะที่เราสวดเรารูไ้ไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันมีสติกับรู้ไปพร้อมๆกันอย่าไปคิดเรามีความรู้สึกตัวก็ใช่ได้แล้วอย่าไป คือแบบเราลู่หรือเปล่าเราถูกหรือเปล่าแต่ไปคิดหาลู่สึกก็ใช่ได้แล้วคิดมาขึ้นรู่สึกก็ใช่ได้แล้วเื่อนมือื่อนไหวมือไปมาก็ใช่ได้แล้วลู่แล้วถูกต้องแล้วแต่ไปหามันอยากระโดดหนีออกไปทางอื่นลู่สึกรู่สึกไปใช่ได้แล้วเรามือไว้ข้างหลังเรากำมือเราก็เห็นแล้วใช่ได้แล้วเห็นอยู่รู่สึกอยู่ย็นบอกความถูก มร้อมรู้มันบอกเราพร้มหลงก็บอกเราแตามันหลงก็ใช่ไม่ได้ก็กลับมารู้สึกนะอันนี้สือไปไปพร้อมๆกันฟังนี่ก็ไปพร้อมๆกันแต่ไปชอบอยาไปไม่ชอบสิ่งที่เป็นผิดก่อไปเอาสิ่งที่เป็นถูกก่อสร้างให้เจริญในตัวเราก็มีในคนอื่นก็มีคนอื่นพูดก็มีคนอื่นทำก็นี้ แตนตัเราพูดเราทําเราพบเราคิดบันทีก็เปลี่ยนเปลี่ยนแต่สิ่งในมันถูกก็เจริญภาวานาทําให้มากแต่ใ น, ในมันเตะก็เปลี่ยนในตัวไปพ้อมกันขณะที่เราปฏิบัติอยู่เอาไปมาก็ใกลไกลไปเรืเร่อยๆไกลจากความหลงไปเรืเร่อยๆเห็นกายเห็นใจเห็นกายก็เห็นมันเคลื่อนไหวเราเจตนาเห็นอยู่เราทําอยู่ลม ตรงหน้าเราอยู่เฉพาะหน้าเราอยู่มันก็เราดูอยู่ซึ่งหน้าเราแต่เราเห็นกายอยู่างนี่เราดูกายแตาดูมันจะไปไหนเรามันซึ่งหน้าเห็นหน้าออาหน้าเฉพาะหน้าเราอยู่มันก็เห็นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเห็นความคิดก็ไม่ได้หลบมันมันคิดขึ้นรากันโลกเดี๋ยวข้องกับความคิดความคิดมันสอนให้เรารู้ตัวไม่ใช่ความคิดสอนให้เราหลง การปฏิบัติแต่ก่อนนี้ตายสอนให้เราหลงปิดใจมันสอนให้เราหลงความคิดความทุกข์ก็สอนให้เราหลงความโกรธก็สอนให้เราหลงวันนี้สอนให้เราโลภความโกรธสอนให้เราโลภความโลภความหลงสอนให้เราโูภความคิดสอนให้เราโลภเพราะหลงไปกับความคิดมานมหาศาลวันี้เราหมดโลภสึกค่ะโูภสึกตัวกลับมา กลับมาหากายเคลื่อนไหวเนี่ยมันนี่หลงแล้วบังตคิดมันคิดลงไปไม่ได้ห้ามมันเลยแต่มันคิดขึ้นมารู้สึกไงรู้สึกกายเนี่ยนี่ความคิดเลยไม่ได้สอนให้เราหลงเลยความคิดสอนให้เราลู่ตัวเนี้ยความทุกข์ก็สอนให้เราลูก่กันเนี่ยอ้ามาเปลี่ยนเป็นความรู้สึกไปเสียทั้งหมดเปลี่ยนได้ทั้งหมดด้วย าฟ ใ, ในใจเนี่ยเกิดนมาเป็นตัวรูดอ่ะแล้วก็สร้างตัวรูดต่อพืดนต่อพื้ไปได้นี่คือการกระทําของเรามันทําได้จริงๆปฏิบัติได้ให้ผลได้จริงจริงนี่คือของจริงถ้าสมมติเราทำไมได้เช่นเวนเวนคืออย่างนีน้คืออย่างนี้วาดวนาภาพจินตนาการบาเคืออย่างนี้นอย่างนี้วาดวนาภาพจินตนาการ ตะวันนี้ผันไปแล้วมันจะไม่วาดวโนภาพไปไปโน่น PM. คิดรู้คิเห็นคิดรู้คิดเห็นมันไกลตอนนี่มาพบเห็นเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเรานะตัวรู้เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเราเปิดการพบเห็นเห็นกับหูกับตาเห็นกับมือของเราเราทำกับมือของเราเราทำกับกายของเราเราทำกับใจของเรา เวลาใดที่มันหลงเปลี like ge, ai, ่ยนเป็นตัวลูกทาด้วยมือทําด้วยสีมือของเราทาด้วยกายด้วยใจทําด้วยลูกด้วยน้าของเราเนี่คือของจริงเอามาทําเป็นของจริงมันจับได้มันต้องได้ความโกดความโลกความหลงก็จับได้แล้วก็วางได้มันก็เราจับไปล้วก็วางได้เราจับมนแล้วก็วางได้แต่เรานี้เราจับไปล้วก็ วางไม่เป็นหลังจะเด็กน้อยเด็กในน้อยแล้วอ่อนเต็นไปมันจะก้วนใส่บางทีพ่อแม่ก็ให้มันจับลองดูสิพอมันจับแล้วมันก็ล้องให้มันเต็นทีเดีขวหน้ามันก็ไม่จับแต่ว่านี่มันเป็นบทเรียนของตายแต่ว่าบทเรียนของใจเนี่ยถ้าไม่มีตัวปฏิบัติมันจะทำอย่างนั้นไม่ได้ ใส่ <c oughs> เวลาเปียบน้ำมันก็ <c oughs> มันก็นั่งลงเอาน้ำออกหรือหลงออกหรือผ่าออกให้ใจในมัน อ, ออกไม่เป็นถ้าไม่มีสติมีญานมีความรู้สึกตัวเป็นมันโกรธนะมันก็ออกไม่เป็นดีจะหลังกขไปด้วยพอใจที่จะโกรธ ทุกข์มันก็ไม่ออกมาเป็นัวถล่มก็เรานความทุกข์บูตนำเบื้องขึ้นแล้วใจที่จะทุกข์ก็มีบางคนปัดนี้ันเรามาดูสิมาดูมามีตัวรู้สึกตัวก็บรู้สึกตัวนี่แต่รู้สึกตัวมันเป็นแค่ไหนมันจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรรู้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยเป็มๆตรงๆมันก็เป็นไปเองความรู้สึกตัว ไม่เปิดนปงกับสิงใดดอกคมรู้สึกตัวเหมือนทองคําเหมือนทองลอยไปสิ่เหมือนเพชรนิำหนึ่นแตปนพูดปนเห็นปนใจแต่เราอยู่ก็ยังเป็นเพชรเป็นทองอยู่เหมืนอนบัวใบบัวดอกบอัวมันจะเกิดบนที่ตนเน่าเหม็นมันก็ยัง ไม่เป็นอะไรมันก็ยังใบวัวก็ยังไม่อซับไปหนา <c oughs> ยังเป็นใบบ่วยเนี่ยของของจริงเลยความรู้สึกตัวก็เช่นกันตเรามาสร้างนะสร้างตัวนี้นไอ้ในมาตรฐานให้มีคุณาภาพชีวิตเราเื็นความรู้สึกตัวนีะเรามาสร้างจริงๆลองดู เราดูสึตัวมันจะเป็นอะไรจะภาพเป็นอะไรมันจะพัฒนาไปอย่างไรน้องไม่ต้องถามมันจะพัฒนาไปเองพัฒนาไปเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมากเป็นทนไปโน่นจากปุถุชนเป็นกันะยาณปุถุชนกันะยาณปุถุชนเป็นอนุษย์เป็น เทว ด, ดาเป็นปองเป็นพระเปน็นโนตัวโน้มันพัฒนาจากความร้ายกลายเป็นดีไปําหลักเราก็เรียกว่าภาวนาภาวนาคือสร้างความดีเปลี่ยนความร้ายกลายเป็นความดีเปลี่ยนความถูกคิดให้กลายเป็นความถูกนั่นคือ พอรู้สึกตัวนะพอรู้สึกตัวเนะี่ยเปียบเสมือนพ่อแม่แต่ลูกคนไหนได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้ววางใจวางใจได้เออเราอยู่กับเพื่อนบมิตรที่เป็นกันลยาณมิตรก็วางใจได้มม่ยู่กับทำรรก็วางใจทำได้กัลยาณธรรม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 เราอยู่กับมิตรกัญยาณนะมิตรก็วางใจเราอยู่กับโจรอย่าวางใจระวางต้องเตรียมเตรียมตัวต้องระวังระวังไม่ อ, มอยู่กับความหลงแต่ตอนเราไม่ค่อยอไม่ค่อยสันทบไม่ค่อยไม่ค่อยวิถีวิถันเรจะอะไรจา่ามือกับมืทั้งหมดไรอย่งนัง้นเราไม่ปฏิบัติความโกรธมากับร่วมมือกับความโกรธความทุกข์มากร่วมมือกับความทุกข์ แต่หลงเราก็ร่วมมืกับความหลงไม่หก็หาเรื่องทำให้หลงต่อไปกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะเล่นเพลิเพลินรมอกับความหลงอาจะรมอกับความหลง่ามกับความลด้วยซ้ไปเพราะมันไม่อาสร์ธมันเป็นวัตถุตามมคุณ ตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีเิื่ก็ดีกายก็ดีใจก็ดีลูกรดกินเสียงหรือเป็นวัตถุกรรมมาคุณถ้าไม่สัตว์โลกติดติดลลกติดลกของกรมมาคุณคือเหนียวถ้าไม่สัมผัันก็ติดอย่างนั้นเหมือนรีติดตังตาก็เอาหูก็เอาหายเรื่องบางทีกินข้าวยังตายัางดูทีวี บางทีทัเขียวอาหารทั้งเขียนหนังสือทั้งดูทีวีคนมาเล่าให้ฟังคนมองเลยลูกสาวผมแปลกนะหลวงพ่อบางทีกินเขียวอาหารอยู่มึงเขียนหนังสือไปบางทีก็ตาดูทีวีเอ๊ะมันแปลกมันทำอะไรจึงําอะไรได้ทีก่ก็เขาเป็นนย่านั้นหลายเรื่องแต่พี่เรามาเฉพาะเรื่องลองดู หาโอกาสเฉพาะเรื่องรองดูมาภาวนามาเจริญความรู้สร้างความรู้ให้มากขยันสร้างความรู้เอากายเอาใจเราสร้างไม่ต้องเกี่ยวกับมสมุดปากการียสอนตละมัดมันไม่อยู่กายมีอยู่ความรู้สึกตัวก็ไม่อยู่ความหลงก็ไม่อยู่เอาความรู้ตะพุดงต ะ, ะพือแหวกเข้าไปฐานเข้าไปก่อนยังไงเป็นรูปเป็นห่างหรอ ควนมรู้สึกตัวเลไปวดตรงไปจะไปหาโรคแล้วอยัางนั้นอะไรมันดีที่สุดเหมือนเราจะถามป่าทำไรถามไปก่อนยังไม่เห็นต้นข้าวต้นกล้าหรอกเอาขวามอะไรถามป่าไปก่อนมันค่อยเป็นโลกเป็นล่างขึ้นมาเราก็ค่อยปลูกพอ ป, ปลูกมันจะได้โอกาสปลูกข้าวปลูกของมันจึงจะได้เกิดผลแบบบางนามด้วย ใ ห, ใหม่ๆคนไม่เคยลูบไม่เคยทำอะไรอาจจะงามกว่าคนที่เคยลูบมากหัวใจมีความลูบอยู่เลยไม่ได้ทำํำ <c oughs> แบบนี้เราท่านไปก่อนมันลุบอาลิชามันลุบมันเป็นป่าคือคนไม่ลูบลูบก็ลูบผิดิดอาลิชาที่ได้มีป่ายาประมาะเสื่อมอบาทไม่อยู่คโคสถาน ถ้ามีป่ามันก็ต้องมีเสือมีสัตว์ลายมันนัดป่าสุกโตเนี่ยมีช้างมีเสือมีงูเหลืองงูห่า์งูตุ้งอางงูพึอะไรต่างๆนี่ที่ใดมีป่าก็มีสัตว์ลายมันเป็นของเขามันเป็นธรรมชาติชีวิตเราก็เหมือนกันป่าก็คืออวิชา วันหนึ่งเราหลงอยูเ่เราลูกถ้าเราหลงเรามีป่าเราก็ถางน้อยแบบดต้องไปน้อ ย, แบบอยตัวลูกฟันตอกเดียวมันก็ใช้ไม่ได้นะการถามป่าคือป่าอิชาอวิชาคือปาความรู้สึกตัวคือการแทีวถางถางป่าทำใหม่ๆทาใหม่ๆก็ยังไม่เป็นลูกเป็นร่างดอก เราไม่เห็นทิศถิ่นทางอะไรเราไม่เห็นของจริงมันเป็นยังไงเราค่อยถายไปเลื่อยเลื่อยความหลงอยู่ที่ไหนความโลภสุดตัวอยู่ที่ไหนควมทข์อยู่ที่ไหนความโูภสุกตัวอยู่ที่ไหนความโกรธอยู่ที่ไหนคมโูสตัวอยู่ที่ัหนลองดูให้ทำแบบนี้ลองดูใส่ความโลภเข้าไปเพมความโลภเข้าไปอยู่กับเนื้อกับตัว บางทีที่จะอยู่กับเมื่อกับตัวบางทีก็เอามือกอดอกไว้ในเนื้อหายใจเข้าหายใจออกบางทีก็ยันจงชร้างจังหวะบางทีก็บัรต ง, ง, ง, ง, งเดินจงนังกรมมันก็เรายืนที่จะทํางานเราเนื่งที่จะเขียนหนังสือที่จะกินข้าวเตรียกินข้า ว, วาก็มีปิญญาการเขียนหนังสือก็มีท่าไม้ท่า การจะจับตอบจับเสียงอะไรก็ไม่ท่าไม่ทางการควาทำความรู้สึกตัวก็ใส่ท่าลงไปใส่ท่าพระพุทธเจ้ามั้งกายตรงตรงบัณนเอวหน้าอกขอใบหน้าในใจก็มีท่ายิ่มแย้มแจ่มใสมองอะไรในทางดี จะไปมองแบบขัดเครื่องตาหูไม่ชอบจะให้ใจไปจะไปใช่ใจนะจะไปมองแบบลีลีขวงขว๋งขวงขว๋งลีลีได้รีหรอเขาว่าสมัยก่สมัยก่อนเป็นเด็กน่อยเลือเอ้ยเลือหล่อมอะไรจำบราจำราในคนสะอาด เพลงทำไมน้องสงครามโลกครั้งที่สองสของขวัญดีดีไม่ดีเนาะ อ, อะไรเขาบ่าชีวิตเราประมาณกันแต่ของขวัญดีดีให้มองในแง่ดีเขาดา่าเราก็ลองมองในแง่ดีดูกองหิวกับมองในแง่ดีผนปวดขาปวดแขนกับมองในแง่ดีเออมันเห็นไมมีปี๋แ่มันสบายเลยเอาไปเอามาก็เอา ปวดต้นขาปวดเข่าปวดน่องมันทับลงไปเออเนี่เวทนามันเกิดขึ้นแล้วโอ้เวทนานอเนี่ยฉลาดนะนี่เนี่ยโลกมันไหลไปมันอ่ความทุกข์คนไม่เที่ยงมันไหลไปามไม่ใช่ตัวตนมันบอกแล้วก็เห็นเนี่ยนี่หละเวทนาเห็นเวทนาเห็นปรมัดถ้าเวทนาเป็นของเราเห็นสมมติตัณห์ไม่ชอบ โอ้ยเราปวดตายตายเลยเรียกว่าสมมติปัญญาถ้าเห็นเวทนาเออสักว่าเวทนานั่นเออได้แล้วหรือว่าอ่าักษุญญวิญญาณขณะวิญญาณสหาวิญญาติจักษุทางตางทางหูจมูกเรียนกายใจวิโมโขวิญญาณตัวร้ายตัวเนี่มันแสบมันสุกซนไปแสบไปซ่องไปซุกสนอะไรไม่รู มโนวิญญาณมันเน่ยนั่งอยู่นิ่ไ ง, ง, ง, น ง, นงไปแล้วถึงกรุงเทพถึงคนรักถึงคนช้างไปแล้ววัดโตวิญญาณจากกักรวิญญาณเคยมองตากับคนรักเคยมองตากับคนโกรธคนห้อยพอยใจเคยชอบเคยน้อยไปแล้วกลับมาลู่สึดตัวสอนวิญญาณฐานะกกวิญญาณจากกักรวิญญาณจากกักรวิตา หัต่ออวัยวคือหูบางที่มันได้ยินแต่สร้างความหลงพยาพยามลู่ศึกตัวลู่ศึกตัวคงลู่ศึกตัวไปเฉลยความลู่ศึกตัวไปเฉลยแต่เราเนื่ออย่างนี้มีบทเรียนนะถ้าเราถ้าเราจะเรียนถ้าเราจะศึกษาตัวเรานะมีบทเรียนเยอะแยะไม่เหมือนเรียนทางโลก เรียนทั้งโลกตัง้งใจห า, าส่วนประกอบสิ่งแวดล้อมอะไรต่งตางๆ <c oughs> เรียนทางธรรมเนี่ปรากฏการเกิดขึ้นกับตายกับใจรู้ตรงนี้แหละรอบรู้ในกองสังขารคือตายสังขารกิตแสังขารเนี่ยมันจะออกมาให้เราเห็นเห็นเวทนาเห็นไหม เห็นกายเห็นไหมไม่เห็นไม่มีไม่มีไม่เห็นกายไม่เห็นเวทนาไม่เคยไม่เห็นหรอกของจริงแต่ของไม่จริงไม่เห็นก็ได้แค่ไม่นิดไม่นิดก็ไม่เห็นเห็นเทวดาไหมเห็นตะวันไหมเห็นเปรตเห็นนรกคือเป็นโลกเป็นเรื่องเป็นนิดอันนั้นไม่เห็นเห็นเห็นของเขาแต่ว่าบางคนไม่เห็น ของผก็เห็นมันไม่ใช่ของจริงของจริงคือนี่คือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรมนี่กายก็นัอยู่นี่ก้มโม่อยู่นี่มือขค้ือนไหวอยู่นี่การเคื่อนไหวที่เป็นมือก็เป็นากายการเดินก็เป็นกายหายใจก็เป็นกายทีตากรน้ำลายก็เป็นกายนี่ทไมจะไม่เห็นเวทนาคือกาต่อตัวขึ้นบนเข่าบ้างใช้วงก้นาก บนเออว่างบนคอบนอะไรในกายก็มีในใจก็มีอเวทนามันจะก่อตัวขึ้นอ่าเห็นน่ะโอ้นี่เวทนามันอยู่กับกายโอ้นี่เวทนามันอยู่กับกจิตตอนเห็นขี้นหน้ามันโอ้มันอยู่นี่ก็มีนี่ต่ามันติดไปนนท์ปิดแล้วออกจากท่าคือกายกายเป็นท่าของจิตกายเป็นท่าของนาม พุกออกไปไวไวมากไปแล้วก็อานั่งอยู่เนี่ยก็เหลือแต่กายๆๆแล้วกันเป็นปริยาเฉยๆทำกรรมก็ไม่เป็นกรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่มีผลเป็นกตัถกรต ร, ตรมผมหลงคุณคิดกับความหลงอยู่ไม่มีสติปิตตองคิดไม่รู้จับกลับมาคุณคิดในอารมณ์ที่คุณคิดไม่รู้จักลับมา อั น, นั้นไม่เป็นกรรมฐานเป็นกรรมที่ไม่มีผลทำเท่ า, าไหร่ก็ไม่มีผลเฮอยถ้าว่ามันคิดอึ๊บไปพุทธไปรู้สึกตัวยิ้มหัวเราะความคิดตัวเองกลับมาหาการเคลื่อนไหวโดจนจังกอมน้อยใจทันส่วนทันทีอ่ทันทีทนทปรับกลับมาทันทีสอนแล้วสอนใจแล้วลวันถ้าเอาถ้าใจมันไปเลยตรงไหนเป็นอิสระภาพตาม อาการของเขาบางก็ไมได้สอนสักติไม่ได right. right. right. right. ้สอนกายไม่ได้สอนใจเที่มันไม่ถูกสอนกายไม่ถูกสอนใจไม่ถูกสอนนั่นก็จะลู้อะไรก่อนจะเข้าพวกเข้าลมไปตับสนไปหมดเลยแต่ยิ่งเขาดื้อก่อนเพราะไม่สอนนี้ก็จะอยู่ยังไงมันก็ไม่อยู่แล้วมตอดื้ออยู่แล้วตายก็ดื้อยู่แล้วตาหูจมูกเลี้นงกายไปดื้อยู่แล้วแต่บางคนบางพวกบางคนไม่ค่อยดื้อนะ ชอบอยู่คน้าสมาธิสงบเสงียมไม่ค่อยอะไรก็ค่อยอันนี้ก็อาจจะอา จ, จะง่ายขึ้นหน่อยถ้ามันซุกซนมามากมากเปิดเพืนมากอ่ามันกายสังขารปิตาสังขารขามันซุกซนมาอ่าโลเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเขาจะเล่นมาขเขาบุญใหญ่ รูปก็เป็นใหญ่เลยธรรมะก็เป็นใหญ่สัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นใหญ่เขียนความจบุรีวิญญาณตการสจบุรีเป็นสังขารการติดบุรีเป็นวิญญาณวิญญาณคือมันติดคนีเจ้าอารมณ์ความโกรธเป็นนิสยัยจิตเนื่นใจโดยวิญญาณแห่งคนความโกรธ กานเสพติดก็ติดปต่ปิจารณ์มันเปิดเพืนเนี่ย า, า, า, ามรักคนเช้นนีงเปวดเตี้อนมาความตกความทุกข์เปิดเพือนมาพอมาทำ ป, ป, ป, ะะป <c oughs> ับปะกฏแสดงแล้วกันเหมือนสัพท์ที่ถูกจับแต่กอนไม่จับมันก็เป็แล้วก่นจับหลงกันดิบนะไม่เป็นไรคอยสอนมันเหมือนคนช่างไปต่อช่างเขาจับช่างป่า ช่างป่าได้ช่างมันก็ดิ้นไม่เป็นไรคนช่างเขารู้เอาค่อยบอกค่อยสอนค่อยจับเล็กจับนุย่ยถูกมือถูกอะไรวันก่อนวันตีสตีก่อนเขาจับหมูมาให้หมูป่าเขาจะไปฆ่า <c oughs> เขาดับมันถูกบวงเขาเขาก็ว่าจัไปฆ่าเขาซื้อราคาพันห้าร้อยบาท กางเงยคนคนหนึ่นเอาไปให้หลวงพาดีกว่าอะไรจให้หลวงพอ่อพอมาทําครอบระวังใส่ครอกก็เต้นใจคนไปโยนอยู่คอบอย่างน้นได้ผมก็โดดใส่ปัดจากปัดเอาผมโดดใส่เห็นเราไม่ได้ก็โดดทางครอบโดดออกโดดทั้งคืนทั้งวันไม่ยอมอยู่มันจะมั่งครอกมันจะเลือกคอบออกต้องดูแล ป่อยเรียกมันอะไรบุญรอดอะไรอดอะไรอดสมบุญรอดมีคนช่วยถ้ามันไม่ตายก็เรียกว่าบุญรอดเหากับบุญรอดเย็นกับบุญรอดซ้ายกับบุญรอดเอากล้วยไปฝากเขาอะไรไปให้ให้มันเอาไปก็มาเรียกเขาไปลอดหงอกหน้ามาหารอดไปรอดอะไรก็จับได้โลกหัวโลกหางจับได้ปล่อยออกจากครอบปล่อยไปตามธรรมชาติ ไอ้รนแน่มลยพอเลียยว่าดรอดรอดเงมาหามาหาแล้วก็มันนอนจับขาจับแขนแก่ไปไหนก็ได้ตีดังๆก็ไม่เป็นไรหยอกเราเลยเล่ น, นกันได้เพราะการสอนการสอนเองก็เหมือนกันกูว่ากูตัวเองกูเรี่ยงตัวรู้สึกตัวไปไหนเจออะไร กลับมากลับมากลับมาเอาไปามาก็ง่ายอะไรเลี้ยวขณะไหนก็ได้สอนได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ตัวเราเนี่นะ <c oughs> เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีว่าปฏิบัติไปได้ให้ผลไม่ได้อนี่ต่ไปจะบอกว่าประกาศเลยโป้งโป้งทำคำสอนปฏิบัติถ้าทำปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดกาถ้าทำปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามสมควรเต็มทีปฏิบัติ เนี่ยต้องมีหวังอย่างนี้เลยพวกเราไม่ต้องหวังแต่ว่าเฉพาะหน้าเราเลยรลู่สึกตัวเราลู่สึกตัวเราลู่สึกตัวเนี่ยเราสึกปรับปรุงอยู่เลยปรับปรุงท่านนั่งปรับปรุงกายปรับปรุงจิตใจปรับปรุงความพร้อมมันจะคล่องขึ้นคล่องขึ้นคล่องตัวขึ้นคล่องตัวขึ้นให้มันตื่นให้มันลู่คองขึ้นคลองวา นี <c oughs> ่คือปฏิบัติคือสอนตัวเราแท้ๆแบบการเดินสติไม่มีใครสอนเราได้นอกจากตัวเราการสอนให้ลูกเนี่สอนง่ายการสอนเทพินเนี่เราต้องสอนตัวเราสอนตัวเราลู่อยู่ลู่อยู่ลู่อยู่อะไรก็ตามลู่อยู่แต่พุดตะพุทไปนะลู่หนักกับไม่หนักเท่าไรความรู้สึกตัวนี่ อ่วรู้เจตัวกรู้แล้วรู้แล้วรู้จริงจริงมันคิดไปก็รู้จริงแข็งเหน็บความคิดกลับมารู้จะตัวได้ทําอย่างนี้ล่ะเหมือนกับการสอนอะไรหลวงพ่อสอนหมูบอกรอดหลวงพ่อถางป่าหลวงพ่อหัดขีดหัดเขียนหัดจับป้ายหัดเลาไม้หัดอะไรต่างๆ ก็เต็มไปเรามาจะโลนของที่วันนี้อยู่เนี่ยเงื่อเราก็มีกายเราก็มีเวทนาก็มีเห็นบ่นเห็นนี่เห็นเวทนาก็ขี้หน้าเวทนาเหยียวข้องกับเวทนาอย่ามาให้เป็นสุขอย่าให้เป็นทุกข์มาเห็นมาเปลี่ยนเป็นตัวรู้ตัวเห็นสุขกับเวทนาแล้ว่าไปเพลินทุกขกับเวทนาก็อย่าไปหลง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 ปวดขาปวดเอวยิ้มก็ได้หิ้วข้าวยิ้มก็ได้ใจ ย, ยิ้มยิ้มไหมรูม้ต้องไปสุกไปทุกข์อย่าเอาใจไปสุกไปทุกข์ใจต้องเฉยๆต้องบางทีต้องว่างตัวว่างอุเบกขาเวทนาไม่ใช่สุขเวทนาไม่ใช่ทุกข์เวทนาอุเบกขา อุเคค่าเนยได้ทุกอย่างความโกรธก็วางได้ออเคค่ะความทุกข์ก็วางได้อย่าไปจริงจังการสอนเราเองทวนกระแสสักหน่อยไม่เคยวางก็หัดวางไม่เคยย็นก็หัดเย็นไม่เคยยิ้มก็หัดยิ้มยิ้มในใจนะ่ไม่ใช่ยิ้มอะไรหลอกหลอกไม่ใช่ยิ้มในใจมันลึกซึ้งกว่ายิ้มแยะๆอาจารย์ของปกยิ้มในใจ อยู่คนเดียวนั่งอยู่ในกระทิอมนั่งพามั่งนั่งิเสาดูตัวเองดูตัวเองเห็นตัวเองนี่วิธีที่ปฏิบัติธรรมสมบูรแบบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งรู้มีทั้งหลงมีอะไรเยอะแยะไปเลยเราก็จะได้บทเรียนใหเรามีความรู้เตัวดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆ เห็นข อ, ข, อของเก่าเห็นไปไนเรื่อยๆปัจจัเอ๋ยกันได้คือเห็นควคิดแต่เนี่ยไม่มีใครที่ไม่คิดแต่ไม่มีใครเห็นความคิดตัวเองมีแต่ไปกับความคิดบ น, นี่เราเห็นมันคิดออแต่ก่อนเราไม่เคเห็นความคิดนะเราไม่เคยเดยน่เลยมีแต่ไปกับอะไรแต่เพื่อแต่เพื่อไปไม่เครทักท้วงไม่ใครตรวจสอบไม่ใครโต้อตอบ อ่าบันนี้เรามาทักพวกมาดูมาดูมโนมาดูอยากเป็นมาเป็นผู้ดูอยากเป็นผู้เป็นเนี่ยก็ไปอย่างนี้ต่เป็นผู้เป็นก็ไปได้ปฏิบัติเป็นผู้ดูเนี่ยปฏิบัติเห็นนะบั <c oughs> เพราะเราดูมันก็ต้องเห็นถ้าเราเห็นก็เราไม่เข้าไปเป็นเป็นการเหีนเนื้อ น, นะบางคว่า แตะกอนตะกอหมกนี่เหมือนกันพอมันทำแล้วโอ้มาเขา้าเขา้าเข้าลู ก, กมันถูกเมื่อเราสารสารกัดป้าสารกัดด้งเมื่อมันเข้าลูกมันก็ง่ายง่ายแต่ยังไม่ได้ลายไม่ได้รู้จากเครื่องก็ยากสักหน่อยไม่เป็นไรก่อนที่มันจะง่ายมันต้องเยากไม่มีอะไรที่มันได้มาฟรีๆหรอกต้องหัดตัวเอง บรื่รอมันจะเป็นเรื่องง่ายนะมือ น, านาราณคุณที่ศาลไม่ไทยการสารยากที่สุดคือตาตาเหลวใครก็คุยเรื่องตาเหลวยากคนที่จะทำเป็นตาแหลวศาลตาแหลวพอสมัยก่อนหลวงพ่อเรียนจักสารมะฮถ้ามึงทำเป็นมึงก็เจ๋งเลย แบบนี้ก็เลยพูดว่าตาแล้วหอ่อหอมเอาตีนไปไม่ต้องเอาเงอนมันเป็นแล้วมันเป็นขนาดนันนะตาเล้วห่อหอมมาเอาตีนไปมันเป็นแะแต่ก่อนนี่ยเอาเื่อเอาอะไรก็ทำไม่เป็นันนี้าตีนก็ได้มันคุยขนาดนั้นน ะ, ะคนที่ทยากแต่มันจะเป็นเรื่องง่ายแล้วทำเรื่องยากได้ลเลยเรว่อศิละปะศิะละปะโอ้ แต่เราเสืเอนเพลงนะเออเราทำได้นหมพูงใจเราเลืสึกตัวเราเห็นกายเราเห็นใจเนี่ยโอ้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นคนนวามโกโโโรธความโลความหงเต็มเต็นไม่โกรธไม่โลภไม่หลงโอ้มันเล่มชนะตัวเองลวบนะ้างยึดคงลนนะบ้างอการชนะตัวเองเนี่ประเสริฐนะอนะน่าอนเนาคนอื่นร้อยขั้งพันหนนไม่เช่ชนะตนทีเดียวอ่ายิ่มหลาชนะตัวเอง ชนะความหลงชนะความทุกข์ลกสุตัวไปเลยอ้าวพอตัวแล้วันอยู่ยงคงว่าอยู่ยงคงก็พันคงเส้นคงว่าเนี่ยคงกเก่าแล้วนนไปไหนก็ไม่วันไวแล้ยนนลุยได้ไปโลกรถตีนเสียงตะกอนวันไวแต่เน่ไม่วันไวเลยพอโลกล่มมายาชาไทยโลกของเา่าลูกจุดตอน รูจุดต่อนของเราเนะี่ยะไม่ใช่รูจุดอ่อนของคนเดิมรูจุดออนของเราจุดที่มันเคยหลงจุดที่มันเคยโกรธจุดที่มันเคยละเคยชังเมื่อเราแค่เราจับจุดนี้ได้คงเส่นคงวาแล้วบนะเนี่ยนีปฏิบัติเนี่ยถูกตที่สุดการปรุกสติตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ททำอย่างนี้จึงได้เป็นพระพุทธเจ้า ไม่ใช่เลี้ยงจบพระพุทธเจ้าจบกันไม่เป็นเจ้าพระชายจบตั้งสิเกตสักไม่เลยเป็นพระพุทธเจ้าเลยต่เรเอากายเอาต่ำ เ, เอากายเอากิจเป็นตาลาเอาสติเป น, นักศึกษาคอยดูอยู่นั่งอยู่ใต้ลมไม่ดุยไม่ได้มีสาราอยู่บนหลังเอากายเอาใจเป็นตําลามีสติศึกษาก็าไปดูก็ไปเห็นก็ไป 8,400 นนเรื่องอยู่กับกายกับใจนะเป็นขนาด น, น, นี่เรียว่าสูตรสูตรพุท ธ, ธสูตรแห่งการตัดสุขสูตรแห่งการหลุดพุทนะเอากายเอาใจทุกคนมีกายมีใจทุกคนมี้งหดความโกรธความโลภความรล้ว่าต้องไปหาเหมือนศิษย์ื่อไปเรียนเซนไปถามอาจารย์ความโกรธคืออครับ อาจารย์น่งไม่เท่าตีหัวโตเลยฮ่าฮ่าฮ่าอ่ออาจารย์เนน่งเองแล้ว้เอออาจารย์นี่โอ่นาลนี่ uh, اف, triangles triangles <so> ่น่าเลยยโอ้โหนา่เลยน่ะนี่โ าหารนอนก็โกรธทีแล้วเป็นนักปะหารเป็นนักพันดาบงดาระกอบะฟันอาจารย์อาจารย์ก็รกันอ้ยตยนรกเปิดแล้วนรกเปิดแล้วโอยทหารสมุทรยนนั้นตกใจอาจารย์ว่านรกเปิดแล้วนรกเปิดแล้วเปิดตันรกเปิดแล้วองนงก็ดาใช้ฟัก เอาถือมาดาบใส่ปากโอ้สวรรค์เปิดแล้วสวรรค์เปิดแล้วก็ป่าปอาจารย์ชื่นใจเห็นนรกเห็นสวรรค์โอ้ยนรกคือใจล่ายนี่แหละสวรรค์คือใจดีอู้มันจะู่ตรงนี้สวรรค์อยู่อกนรกในใจเขาก็ลองนั่นก<ม>็แล้วว่าเอาของจริงมาสอนของจริงแต่ว่าอันตราย <c oughs> อันตราย สอนในนั้นอันตรายโดนคนทุกวันในมองหน้าแล้วก็ฆ่ากันได้แล้วเรอง น, นแล้วก็การอาจารย์ที่จะสอนคนอื่นเขาก็สอนแบบเขามีมานเก่งกว่าเราเช่นพระเจ้าเลยโอ้ยในนี้เคเปรียบเทียบแ่ะ <c oughs> สอนได้หลายอย่างไปสอนหลวงพิมารลองลองดูทำไมพระเจ้าจะสอนได้เลยนไล่ฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิ9เก้าคนแล้ว ในป่านี่เนี่ยน้องมึงชาวพราหณ์ศีนี่ชาวถีเนี่ยสามก็จะไปจับขึ้นมองอแล้วไปเจ้าคิดหงบิดามันดาประกาศแล้วจเจ้าเ็นดินประกาศแล้วเขาจะจับตนองคุริมานตั้ง <c oughs> ตาบุ็นล่อมป่าต้องแี่ต้องไปก่อนต้องไปบอกลูกตี ออกให้ลูกนี้ไปเขาจะฆ่าแตแม่ต้องเป็นห่วงแม่เราจะเป็นโจรขนาดไหนป่าเพราะพระเจ้าคิดถึงจุดนี้ยรเไปก่อนแม่จ้ะถ้าสายมาเนี่ยแม่จะไปก่อนเดี๋ยวองค์คือบาลจะฆ่าแม่ตายพระเจ้าก็าขันาสาไปแลว้วคนใดก็วิ่งไล่กันจริงๆนะโยดโยดโยด อ, องค์คือบาลไล่ไปบอกให้หยุดต่อยพระเจ้าวิ่งกันนะ แต่วิ่งไม่ทันพระเจ้าเพราะเป็นศินละปะอยู่แล้วเป็นสัตร์ทำไมาเป็นเจ้าพ้าชายวิ่งแข่งม้าได้วันดาบขนาดตรงครีมานเนยไม่ไม่ไม่ภาษีภาษารองเจ้ายังวิ่งแข่งกับมาได้สามไยเป็นเจ้าพ้าชายเพราะวิ่งเฮ้ยเจ้าก็ขานเต่าอไปเดียวเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดเธอยังไม่หยุดเราในในหยุอยังวิ่งอยู่ เราจุดทำช่วยแล้วเราไม่พยายามบาไม่เบียดเบียนใคแล้วเธอยังจับดาบแล่ฟันเราอยู่เธอไม่อไรยังอยูดไม่มีสติขึ้นมาองคุลิมาอ๋อก็เลยวางดาบได้สติก็ร้องไห้โอโ้โหไม่รู้ว่าีปภกี่กาตจึงมาคยได้ยินคำพูดอย่างนี้โอโ้โหเรานี่ไม่ได้จุดเลยวางดาบต้องร้องไห้เสียใจสามึกได้ ไปะยาประเทศให้ฟังตามพระพุทธเจ้าเข้าไปนอนสาวัตถีนอน <c oughs> บวชเป็นเกศศูนปาปโอนุลายไม่มีใครทำได้ดอกถึงคนจีนเน่าล้วไปบอกมันก็ด่าเราแล้วมันเล่นหวยเราไปบอกมันก็ไม่ชอบเราแล้วเมวื่อวานต้มทาทอดกระถิ่นบนเชินผขมาทอดกระถินพอกรถิ่สุดจแล้วเอากระดาษมาเราเข้าเขียน เล่นเล่ห์เสแสร้งใหหน่อยค <c oughs> าเบอกว่าอย่าไปเล่นเขาไม่พอใจเขาบอกไม่ให้เขาเิเล่าไม่พอใจถ้าเป็นยังง <c oughs> เฮ้ยได้เชิเาท่าน้ทีไ้แไม่เป็นไรพวกเรานะอะนี่คือในพุทธมรให้ว่งอ่าันนี้จะมีการประชุมที่สุขโตต า, ตายนะสาธุ ประชุมจำนวเด็กแ ล, มละนกเขาจะประชุมเดินธรรมยตตาอนัดใครต่อใครมาก็เด็กรวมเด็กแลกนกเป็นผู้ประสานงานประชุมประชุมที่วัดเราต่างประสารเป็นหัวหน้าหัวหน้าการเดินธรรมยตตาสองพ่อก็เป็นประธานร่วมกันกับเข า, ขาพอปี่กลานเดินธรรมยตา เจ็สิบกิโ ล, ล, อลอรอบลมป่าทาวรู้สึกว่ามีเครือข่ายเขาลุกจับพวกเราว่าอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น้ำแต่นี่ไม่มีตัวแทนป่าไม้น้ำมีเถ็ดสอสอตัวแทนของโลกตัวแทนอึ่งลมป่าทาวตัวแทนป่าไม้ไม่มีพเรานึงเป็นตัวแทน ปาไม้ตัวแทนน้ําไปบอกความลําบากของป่าไปบอกความลําบากของน้ําน้ําเน่าน้ํำในน้ําลำป้าทาร้องไห้ตอนไม้ก็เป็นทุกถูกไฟเผาถูกพิ่งขยะถูกพิ่งของอะไรมีความไก่เกิดขึ้นแย่ๆเอาที่ไก่เอาก็สอบถุงอาหารไก่ไปล้างในน้ําเน่าเหม็น น้ำลำตะทาวลองให้ป่าไม้ก็เป็นทุกข์เราจ้งเป็นตัวแทนของน้ำของป่าบนเทือกโอเคาค้งแม่น้ำลำตะทาวทจะไปชุมกันเครือข่ายอันนี้น้องไปวัดเราอ่าวพนี้พิพพโพธเท่านี้แหละขับพระกล้อม ก, กัน <c oughs> อรัมะธรรมโตะวะปะตังะวันตังกะโตะตะาโมะานะโมพระพุทธเจ้ะโ